หัวข้อคิดไม่ดีไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีข้อแตกต่างระหว่างคนดีกับคนชั่วไม่ใช่คนดีไม่คิดชั่วแต่คนดีห้ามใจไม่ทำตามความคิดชั่วชั่วได้ขั้งต้นคือนิยามความเป็นคนดี ที่มาจากการรักษาศีลห้าสำเร็จนะครับศีลคือข้อห้ามหรือกรอบจำกัดความประพฤติทางกายและทางวาจาไม่ได้รวมไปถึงใจหมายความว่าต่อให้น้ำลายหกอยากปล้ำหญิงมีเจ้าของเพียงใดถ้าไม่ตั้งใจเอาจริงก็ยังไม่นับเป็นผู้ละเมิดศีลเลยไม่แม้แต่จะมีศีลด่างพร้อยด้วยซ้ำ แต่หากเริ่มสะกดใจไม่อยู่คิดวางแผนชั่วร้ายหมายจะเอาเขามาทำมิดีมิร้ายจริงจังกับทั้งย่องไปหาหวังจะประพฤติชั่วตามแผนอันนั้นเริ่มเปลี่ยนจากไม่เลวเป็นเลวแล้วจิตเปื้อนมนทินบาปแล้วศีลมีอันต้องด่างพร้อยแล้วหากกระทําการโฉดสําเร็จ หญิงที่มีเจ้าของตกเป็นทาตุบำเรอกามแม้เพียงด้วยการล่วงล้ำอวัยวะเพศด้วยอวัยวะเพศก็เรียกว่าศีลขาดทะลุเต็มขั้นบาปสำเร็จครบวงจรชนิดที่ต้องได้ชดใช้กรรมในภายหลังแน่นอนจะเร็วหรือช้าเท่านั้นพูดให้ฟังง่ายนะครับแม้ใจจะคิดอยากทำผิดแต่ตราบใด ยังห้ามกายห้ามใจไว้ได้อยู่ก็เรียกว่ารักษาศีลห้าได้เช่นเกือบจะย่องถึงห้องเธอแล้วแต่เหมือนโจรกลับใจใจสั่งตัวให้กลับหลังหันเลิกล้มแผนร้ายเสียก่อนนี่ก็ยังถือว่ามีศีลอยู่ศีลยังไม่ขาดแม้จะด่างพร้อยหน้าคล้าดำหมองไปบ้างก็ยังไม่ได้สร้างเวร และไม่ต้องมานั่งด่าตัวเองในภายหลังไปทั้งชีวิตด้วยตัวอย่างประมาณนี้จะทำให้เห็นได้ชัดว่าการตั้งใจรักษาศีลเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นคนดีแม้คิดชั่วแต่ไม่ทำชั่วก็ไม่มีใครเดือดร้อนจากความชั่วนั้นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด การรักษาศีลสำเร็จอย่างต่อเนื่องถือเป็นเครื่องวัดได้ว่าดีจริงเพราะการเอาชนะปีศาจในตนได้เสมอนั้นก็คือการสร้างเทวดาประจำตัวขึ้นมาคุ้มครองชีวิตเป็นแสงมงคลประดับชีวิตอย่างถาวร น, นั่นเองคนพานส่วนใหญ่แม้ขึ้นชื่อว่าเลว ถูกด่าทอว่าประพฤติตัวชั่วช้าหน้าด้านหน้าทนแท้จริงก็ยังกลุ้มใจกับความชั่วของตนหรือมีความสำนึกผิดใหญ่หลวงที่แอบซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้เพราะกลัวเสียหน้าเปิดเผยออกไปจะโดนหาว่าไม่แน่จริงไม่เจ๋งพอที่จะอยู่บนถนนของคนใจถึงได้อย่างเต็มภาคภูมิ แท้จริงแล้วความรู้สึกผิดและความละอายเป็นเครื่องหมายของความดีหรืออย่างน้อยเป็นสัญญาณบอกว่าเชื้อแห่งความดียังมีอยู่หาใช่เลวล้วนๆเกินจะหวังกูเรียกความดีกลับมาได้ถ้าเคยชั่วแล้วละอายนึกอยากใช้ชีวิตที่เหลือทําดีชดเชยความผิดอย่างนี้ก็เรียกว่า ชั่วปลอมๆแต่ดีจริงๆถ้าตายอย่างคนดีจริงๆความชั่วที่เคยทำไว้ก็จะตามไปส่งผลแบบหลอกๆคือให้ผลไม่รุนแรงนักหรือถึงรุนแรงก็ไม่ยืดเยื้อเกินทนคำถามคือทำอย่างไรจะปลุกสำนึกผิดชอบชั่วดีให้เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตที่เหลือ เพื่อเป็นคนดีที่ละอายเกินกว่าจะทำชั่วอันที่จริงแล้วความดีซึ่งมาในรูปของความรู้สึกละอายต่อการทำชั่วนั้นอย่างไรก็จะไม่หายไปจากชีวิตมนุษย์เพราะที่ถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์กันได้ก็ด้วยธรรมะอันนำมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างที่เรียกว่ามนุษยธรรมนั่นเอง มนุษยธรรมอันเป็นของติดตัวคือคําตอบว่าเหตุใดหลายความชั่วร้ายที่ทำไปจึงกลายเป็นความรู้สึกเสียใจในภายหลังความเสียใจหรือความสำนึกผิดถ้าไม่เกิดขึ้นบ้างก็อาจขาดแรงขับดันให้อยากทำดีมากๆหรืออยากทำดีทั้งชีวิตเพื่อให้ทั้งชีวิตดีๆเหมือนน้ำใส ชะล้างคราบศกปรกและกลิ่นเหม็นในอดีตจนเกลี้ยงที่สุดเท่าที่จะเกลี้ยงได้อย่างเช่นพระเจ้าโอโกมหาราชต้นชีวิตของท่านหมกมุ่นอยู่กับการฆ่าฟันทั้งอริราชศัตรูหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องวงวานว่านเครือก็ไม่เว้นต่อเมื่อเข้ากลางชีวิต ท่านเกิดความเบื่อหน่ายกลิ่นอายการฆ่าฟันยิ่งเมื่อได้พบผู้ทรงคุณในพุทธศาสนาจุดประกายไฟแห่งสำนึกผิดชอบชั่วดีให้ลุกโผลขึ้นท่านก็หันมาขวนขวายทำนุบำรุงพระศาสนาเปลี่ยนแผ่นดินเพลิงให้กลายเป็นแผ่นดินทองเรืองรองด้วยคุณความดีไปแทนเป็นที่ทราบกันว่า ถ้าพระเจ้าอาโศกมหาราชไม่ทรงดำริ จ, จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปตลอดโลกวันเนี้ก็อาจไม่เหลือพระพุทธศาสนาตกทอดมาถึงรุ่นเราเพราะช่วงนั้นพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองอยู่แต่ในประเทศอินเดียและต่อมาก็เกือบจะสูญไปจากอินเดียด้วยการเหยียบย่ำรุกรานจากศาสนาอื่น หากปราศจากขบวนการเผยแผ่ธรรมอย่างเป็นทางการจากมหาจากักรพรรดิส่วนอื่นที่เหลือของโลกก็คงไม่มีโอกาสรับแสงสว่างทางพุทธเป็นแน่เมื่อเป็นดังนี้โลกก็จำแต่คุณธรรมเด่นของท่านเมื่อพูดถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชก็จะพูดถึงความเป็นอัครศาสนูปธรรมภกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนา ไม่ค่อยมีคนพูดถึงความโหดเหี้ยมในครั้งตะลุยปราบโลกเพื่อขยายพระราชอาณาจักรกันหรือแม้จะพูดบ้างก็พูดว่าถ้าท่านไม่ปราบโลกโลกก็คงไม่ยอมเปิดทางให้ท่านเผยแผ่พระาศาสนาโดยดีสรุปคือแม้คิดชั่วก็ไม่ใช่จะต้องเป็นคนชั่วปราบเท่าที่ไม่ยอมให้ปาดกับมือเท้า เป็นเครื่องมือของความคิดชั่วๆและต่อให้พลาดทําชั่วไปแล้วก็ยังตัดสินไม่ได้ว่าเป็นคนชั่วขนานแท้ตราบเท่าที่ยังไม่ตายอย่างคนชั่วกันจริงๆไม่ว่าจะเคยคิดร้ายมาเพียงใดตราบเท่าที่ยังไม่ตายก็ยังมีโอกาสตายเยี่ยงคนตั้งใจทําดีกันได้ถ้าชีวิตที่เหลือ คือชีวิตที่ตัดสินใจหันหลังให้กับความคิดร้ายๆในที่สุดก็จะลงเอยเป็นความสบายใจหายห่วงเวลาได้ยินใครพูดถึงสวรรค์กันก็มั่นใจว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ไปแน่ๆไม่สงสัยเลย มันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยา่าีปลองดูเรื่องกรรมคือการกระทําของเธอแมนคิดในใจอาจคอยส่งผลร้ยรายอยากลึกลับแต่มันคงกือการส่งผลของกรรมเคยทำอะไร I.